รึกถึงหลวงพ่อเทียนึเป็นอรบาอาจารย์ในทางธรรมะทางจิตวิญญาณขอถวายความเคารพแด่พระมหาเทระปะเทร ะ, ะเพื่อนพระภิกษุก็ขอเจริญในธรรมจงบังเกิดมีเด ส, สาธุชนอุบาสกอุบาสิกา กูไปในทาทุกทุกคนนะฟังตามสบายนะก็ <c oughs> ฟังกันมาหลายวันจากคูบาจานทันปุรุจากบันทึกคาสอนของหลวงพุทเทียน ที CD, ดีหรือดีวีดีเรก็คงจะได้ความเข้าใจรู้วิธีการปฏิบัติเราก็เทียนก็พูดเอาไว้จนเราจําได้นะพูดร้อยคําพันคํา แสนคาล้านคํา <c oughs> สู้กันทำความรู้สึกเตยียตัวครั้งเดียวไม่ได้ทุกครั้งที่เรากลับมาทำความรู้สึกตัวมันเหมือนกับว่าเรามีจุดยืนนะมันมีสติมันมีสมาธิมันมีใจอยู่กับตัวเองมันไม่ไปอยู่กับคนอื่นมันไม่ไปอยู่กับอารมณ์ ไม่ไปอยู่กับอารมณ์ที่เป็นวัตถุภายนอกอย่างเช่นว่าขณะที่ธตรมากกำลังพูดอย่นี้มันเกิดความตื่นนะความประมาทเกิดความกลัวอะไรเงี้ยอันเป็น <c oughs> อันเป็นสิ่งที่เคยเป็นศาสนาธรรมาถ้าให้มาพูดใน ทมกลางคนเยอะนี่มันจะประมาณมันจะตื่นมันจะสั่น <c oughs> มันจะกลัวหรือพูดไม่ออกภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าสเตทไฟต์อย่างนี้นะพอไปขึ้นเวทีก็เตรียมไปจะพูดโน้นพูดนี้ไว้อะไรเยอะแยะแต่พอขึ้นไปเวทีแล้วก็พูดอะไรไม่ได้ เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นอย่างนี้เมื่อเรามารู้สึกตัวเองรู้สึกตัวชัดอยู่กับปัจจุบันอย่างเงี้ยไอตัวประมาตัวความตื่นตระหนกความกลัวนั้นมันก็จะหายไปความรู้สึกประตัวตนตัวตนตัวกลัวอะไรที่ท่านพูดถึงมันก็จะไม่ไม่ทาให้เรากลัว ดันั้นตัวความรู้สึกตัวนี้แหละมันมันเป็นสิ่งที่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาปัญหาความสงสัยปัญหาเรื่องความกลัวจะเป็นกลัวผีนะกลัวคนกลัวจนกลัวอะไรก็แล้วแต่ ความไม่มั่นใจในตัวเอง <c oughs> มันสามารถที่จะแก้ไขได้ความโกรธความโลภความหลงสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตัวเราในจิตใจของเรา <c oughs> ถ้าหากเราจะเริญนสติทำให้ติดต่อกันเหมือนที่หลวงพ่ดเทียนสอนสิ่งเหล่านี้มันก็สามารถที่จะ หายไปหลุดไปได้เพราะฉะนั้นบางคนก็ยังสงสัยเอยแค่ทําความรู้สึกตัวแค่นี้ยกมือสร้างจังหวะทําอยู่แค่นี้มันจะทําให้เกิดสมาธิเกิดวิปัสนาญาณเกิดการเห็นแจ้งเกิดการหลุดการพ้นได้ยังไงก็ยังมีความสงสัยไม่มั่นใจ เพราะเราเคย <c oughs> รู้มาหรือเรียนมาว่าต้องทำสมาธิก็ต้องไปนั่งหลับตามือขวาทับมือซ้าย น, นั่งสมาธิกำหนดพุทธโธสมาหังก อ, องยุคนั่นเรามันติดนะอยู่กับรูปแบบการปฏิบัติ หรือว่าสมาธิที่เราคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นใครมาก็ต้องแก้ตัวนี้นะโดยมากก็ไปติดนะวิธีนั่งสมาธินั่งหลับตาก็เข้าใจว่าสมาธิเป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าวิธีนั่งหลับตาวิธีสมาธิอย่างนั้นถึงจะทําได้ดีขนาดไหนมากขนาดไหนะ ถ้ายังไม่ออกจากสมาธิแบบนั้นถ้ายังไม่ว่างจากสมาธิแบบนั้นมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดอิปัสสนาญาณหรือว่าทำให้เกิดการเห็นแจ้งได้เพราะว่าที่สุดของการทำสมาธิมันก็ไปติดอยู่แค่ความสงบมันอย่าง ความสงบที่อาลาละดาบทุทกะดาบท่าอาจารย์ทั้งสองที่พระพุทธจเจ้าไปเรียนด้วยเพราะฉะนั้นตัวความสงบแบบนั้นความสงบในฌานสมาบัติความสงมบสงที่เกิดจากการทาสมาธิอันนั้นแทนที่จะเป็นสิ่งที่ดีนะนึกว่าเป็นฐานเป็น ตัวทำให้เกิดอิปัฒนาญาณเกิดความรู้แจ้งแต่กับกลายเป็นสิ่งที่มาบล็อกนำะมากั้นมาปิดบังญนะาณปัญญาไม่ให้มันเกิดขึน้นคนที่ไม่รู้แจ้งไม่รู้จริงไปสอนคนอื่นมันก็ไปสอนได้อยู่แค่นั้นมันก็ไม่ไปไหน อาราดาบทอุทการาบท ก, ก็สอนได้แค่นั้นแต่พระเจ้าท่านมีปัญญาฉุก ค, คิดนะพิจารณาบอกว่ามันยังไม่ใช่ทางมันยังไม่ทางตัสรลูมันยังหวน ล, ลึกไปในความสุขในปาสาราชวังนะคิดถึงพิมพาราหนใจมันยัง <c oughs> ไม่หลุดนะจากความพอใจนะ ในอารมณ์ที่มันเป็นความสุขจากาความสุขที่เป็นการอารมณ์อะไรต่างๆ mm hmm. เพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงวิธีการเจริญสติแบบนี้มันถึงไม่ได้ไปพยายามที่จะไปทำให้มันสงบแต่เป็นการทำให้รู้สึกตัวตื่นตัวทำให้มันรู้แจ้ง ไม่ต้องหลับตาเพราะหลับถ้าหลับตามันก็ทาให้มองไม่เห็นมันก็ไม่เห็นตามความเป็นจริงมันก็กลายเป็นเห็นเป็นนิมิตนะเป็นภาพหลอกบางทีก็ทำให้คิดไปถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้เกิดเป็นภาพเป็นนิมิตมาหลอกตัวเองเราก็เข้าใจว่าเห็นธรรมะ เห็นพระพุทธเจ้าเห็นปิญญาเห็นเรื่องอดีตชาติอะไรคิดไป <c oughs> นั้นวิธีการจเจริญสติอันนี้ท่านก็นเน้นอยู่แต่เรื่องให้รู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันถ้าเราไปนั่งแล้วมันไม่นึกไม่คิด หลับตาไม่ต้องทําอะไรก็เรียกว่าเราไปติดความสงบแล้วติดความสงบนี้มันติดแน่นมากกว่าติดอะไรอย่างอื่นติดแล้วก็ติดนานจมอยู่างั้นไม่ไปไหนมาไหนจิตมันก็ทื่ อ, อไม่เกิดการเห็นแจ้งไม่เห็นตัวเองกิเลสเกิดขึ้นความโกรธความโลภความหลงเกิดขึ้นก็ ก็มองไม่เห็นโดนความสงบนะหรือว่าสมาธินะ่ะอันนั้นมันไปกดไปข่มไปปิดบังเอาไว้ไม่ทำให้เราสามารถที่จะเห็นธรรมที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วก็มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นอาตมาเองไม่ใช่เป็นคนชอบทําสมาธิ ไม่ชอบการปฏิบัติที่นั่งนิ่งๆหลับตานะแต่บางเอิญมันมาเจอวิธีลงวเทียนอย่างนี้มันก็เลยคล้ายๆกับว่ามันถูกจริตได้อ่านหนังสือลวงวเทียนจากหลังจากที่ไป <c oughs> เข้าดูหนังตอนนั้นไปดูหนังที่โรงหนังโ <c oughs> อเอแถวย่านประตูน้ำไม่รู้หนังเรื่องอะไรนะแต่ออกมามันก็ยัง มันก็ยังหาวิธีทำยังไงถึงจะสงบถึงจะมีจิตใจที่มันอยู่เนือความคิดไม่เป็นทาสของความคิดก็พยายามหาวิธียังไงจะหยุดความคิดได้ทำไมเรามันมีแต่ทุกข์เพราะความคิดเหลือเกินวันๆก็มีแต่คิดคิดคิดคิดคิดน้อยใจในวาจนา่งตัวเองคิดไม่พอใจคิดอะไรซารพัดเรื่อง หยุดไม่เป็นเลยความคิดเนี่ยพิดมันไหลอยู่ตลอดเวลากลางคืนเป็นฝันกลางวันเป็นคิดอยู่นั้นคิดเรื่องเรียนหนังสือก็อเป็นทุกคิดถึงทำการทำงานก็เป็นทุกคิดถึงคนรักก็เป็นทุกคิดถึงเรื่องอดีตเรื่องอนาคตมันมีแต่ทุกข์กับทุกข์จนไม่รู้จะทำยังไงนะกินไม่ได้นอนไม่หลับ <c oughs> เป็นโรคนอนไม่หลับกินยาแล้งับประสาทยานอนไม่หลับมันก็ยังเอาไม่อยู่ <c oughs> ยิ่งไปทำงานในที่ที่มันทำให้นอนยากตอนนั้นไปทำงานเป็นช่างบำรุงรักษาอาคารอยู่ที่บริษัทเครยงง่งมวลเวลานอนก็นอนในห้องเครื่องที่มันต้องทำให้เกิดปิตกกังบน ว่าเกิดมันมีอะไรขึ้นมามันจะมันยังไงคนเดี๋ยวก็มากดออดเรียกเดี๋ยวก็โทรศัพท์มาเดี๋ยวก็มีเหตุอันา น, านั้นอันนี้มันเลยทำให้เกิดเป็นวิตกจริตคิดวิตกอ้าวประตูมันห้องมันล็อกหรือยังอันนน้นอันนี้มันเปิดหรือยังมันปิดหรือยังเนี่ย มันเลยกลายเป็นย้ำคิดย้ำทำนะเป็นความวิตกกังวลสารพัดเ <c oughs> พราะฉะนั้นก็เลยไม่ไม่ชอบนะเรื่องการนั่งสมาธิตอนนั้นไปเรียนอยู่ที่รากํากแหงเนี่ยพวกเขาจะมีรถไปรับนะผมธรรมกายเขาจะมีรถไปรับนะเวลาเขาจัดรถไปรับพวกไหนที่จะไปธรรมกายไป สมาธิ เ, าเพลงลูกแก้วตามจุดต่างๆที่แถวสมอรับอนุชัยสมรับภูมินี่ก็จะมีจุดไปรับ <c oughs> แต่จะมาอ่านดูแล้วมันมันก็เป็นแปลกๆนะเด่กมจะเอาลูกแก้วเขา้ารู้จมูก <c oughs> เข้าไปได้ยังไงเอาไปขยายแล้วก็บบว่าเห็นธรรม ะ, ะระดับนั้นระดับนี้ขึ้นอยู่กับว่าจะทำ เป็นมนโนภาพขยายลูกแก้วที่เราเพ่งกำหนดเอาผู้หญิงเข้ารูซ้ายผู้ชายเข้ารูขวาอะไรก็ต้องไปนั่งสมาธิดูแล้วก็เลยไม่ค่อยน่าสนใจนะแต่พอมาานหนังสือของหลวงว่าธเทียนนี่แหละอ่านแค่ไม่นานอยู่ในล้าห น, นังสือวิธีปฏิบัติกรรมฐาน หลวงพ่เทียนมันไม่มากนลยเนาะอ่านแค่ในร้านหนังสือมันก็จับใจความได้แล้วว่าคนเราในเป็นทุกข์เพราะความคิดท่านก็แนะสอนอุบายวิธีปฏิบัติในหนังสือ <c oughs> ตอนแรกเราก็ยังไม่รู้หรอกในวิธีสร้างจังว่าแต่ว่าคิดว่าจุดนี้แหละเป็นจุดที่เราจะต้องอไปตามหาหลวงพ่เทียนล้ ห่เทียนอยู่ที่ไหนจะตามหาให้ได้ตอนนั้นก็เริ่มสนใจธรรมะอ่านหนังสือธรรมะหลวงพ่อพุธาาทธทาสอะไรก็อ่านมาหลายเล่มตัวกูของกูอริยสัจสีปฏิจจสมุป บ, บาทอ่านมาหมดละหนังสือเซนไว้หลังอะไรก็อ่านมาแต่ว่ามันใจของเรามันยังไม่เป็นมันก็ยังยึดมั่นถือมั่นมันก็ยังไม่ว่างอยู่ดีนะอ่านไปมากขนาดไหนมันก็ เป็นความรู้เป็นความคิดเป็นความจำเป็นวิภาควิจารเป็นวิตกอะไรไปนะมันมันยังแก้ไม่ได้นะความคิดมันก็ยังคิดมากอยู่เหมือนเดิม <c oughs> เพราะฉะนั้นเมื่อมารู้จักวิธีการปฏิบัติอันนี้แหละถึงได้ <c oughs> จับจุดเริ่มต้นได้ของการนะ ป, ฏปฏิบัตินะ เมื่อก่อนก็ไม่ได้สนใจนะสนใจเรื่องธรรมะเข้าวัดอะไรก็เข้าไม่ค่อยเป็นล่ะนะเพราะว่าไม่ชอบพระโดยนิสัยแล้วไม่ชอบพระนะเห็นพระอยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่รู้ทำอะไรฉันเดินเพนนอนเยวก็สวดโน่นสวดนีนะ่ไม่เห็นจะได้เรื่องอะไรเลยไม่เห็นมีประโยชน์ไม่ธรรมาหากินอะไรแถมคิด คิดมากเข้าไปมันก็ว่าเป็นตัวอ่าถ่วงความเจริญมันก็เลยเหมือนกับที่รัฐที่คอมมิวนิสต์เขาว่าสมไงนะมันเป็นตัวเหมืนอนกับว่าเป็นอะไรนะอเป็นเหลือบสังคมเป็นอะไรคิดไปอย่างนั้นแหละมันเพรเห็นพระไม่ค่อยทําอะไรเนาะก็เลยไม่เกิดความศรัทธาไม่เกิดความสนใจที่จะเข้าวัดทั้งที่ก็ชอบนะคําสอนพระพุทธเจ้าอืม พระพุทธเจ้าสอนให้เราทำดีนะละความชั่วสอนให้เรามีความซื่อมีความรักมีความสามัคคีอะไรนะสอนในวิชาศิลธรรมเราก็เรียนมา <c oughs> แต่ว่าเมื่อมีปัญหาทางด้านจิตใจนะเมื่อเกิดความวิตกกังวลนะเกิดความรักเกิดความอะไรขึ้นมาเนี่ยที่ทำให้เราเป็นทุกข์ เราไม่รู้จะไปหาธรรมะที่ไหนไปพึ่งใครจะพึ่งพ่อแม่ก็พึ่งไม่ได้พึ่งครูบาอาจารย์ที่เขาสอนทางโลกทางวิชาการอะไรมันก็พึ่งไม่ได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นหลวงพ่อเทียนในสมัยที่จะมาไปปฏิบัติด้วยที่วัดสนามในตอนนั้นท่านก็ป่วยอาพาธแล้วเป็นมะเร็ง ผ่าตัดครั้งที่สามแล้วไงตอนนั้นไปวันแรกก็ไม่ได้เจอหรอกไปลุงหาลงก็เทียนเพระาะว่าไปเจอก็ลงพ่อคำเขียนก็ท่านก็ไปจีดกันเอาไว้เพราะว่าลงพ่อกำลังพักพื้นจากการผ่าตัดท่านก็เลยไม่ให้ก็ไปพบ ท่านก็ได้ให้ความคิดสั้นๆว่าคิดมากก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าจะมาบอกว่าท่านถามว่าเป็นอะไรมาทําไมนะเพรว่าจะมาหาหลวงพ่เทียนผมคิดมากท่านบอกว่าคิดมากก็ดีแล้วแต่ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วท่านก็ไปส่งน้ําไปอะไรไปนะวันนั้นก็เลยไม่ไม่ได้เจอหลวงพ่เทียนก็เลยว่าผิดหวังเว่าได้คือตั้งใจว่าจะไปหาหลวงพ่เทียนจริงๆแหะ ก็เลยได้รับการปฏิเสธวันนั้นแต่ก็ไม่ได้อะไรนะก็มีครูบาอาจารย์หลวงพ่อสมบูรณ์แนะนําวิธีสร้างยางว่าเดินจงกลมให้แต่มันก็ไม่ได้อะไรนะเพราะความคิดของเราก็ยังสับสนวุ่นวายยังอยากเจอหลวงพ่อเทียนจําจังหวะได้เดินจงกรมได้อยู่แต่มันไม่รู้สึกตัวเราทําไปไปใหม่เพราะมันยังไปอยู่กับความคิดอยู่กับอดีตอยู่กับอนาคตอยู่นะ ความรู้สึกตัวซึ้อที่เป็นปัจจุบันอันนี้มันมันยังจับไม่ได้พอเที่ยวไปเที่ยมาอยู่หลายวันน ะ, ะรวมก็ต้องทํางานไม่มีเวลาที่จะไปปฏิบัติค้างคืนเหมือนอย่างที่เราทําอย่างเงี้ยบางทีก็ต้องทํางานทั้งเจ็ดวันบางทีก็ต้องเข้าออกะกลางวันหรือบางทีก็เปลี่ยนเข้าออกะกลางคืนอะไรเงี้ย <c oughs> มันหาเวลายากอืม แต่ว่าด้วยความศรัทธานะเราก็ปีกเวลาหาเวลาไปเรื่อยนะก็ไปเจอหลวงพ่อเทียนบางทีท่านก็ถึงท่านจะป่วยอาภาษแต่ท่านก็ลงมานะพาทมวัดสวดมนต์สาธิตวิธีการปฏิบัติให้เราเห็นเราก็เกิดความศรัทธาเพราะถึงแม้ว่าท่านจะป่วยขนาดนั้นนะยังเจ็บ ปวดจากการผ่าตัดแต่ท่านก็ยังอุตส่าห์ลงมาสอนดูสีหน้าตาแล้วท่านจะบางเฉยได้จนเราไม่รู้ว่าท่านป่วยนะจะไม่มีสีหน้าแห่งความเจ็บปวดแสดงอาการให้เราเห็นในขณะที่ท่านมาสอนมาสาธิตวิธีการปฏิบัติ ก็เลยทาให้เรามองเห็นว่าโอ้ท่านไม่ใช่ธรรมดาถ้าเป็นคนอื่นถ้าเป็นคนธรรมดานี่ถ้าได้เจ็บป่วยขนาดนี้เจ็บปวดขนาดนี้รับรองว่าต้องมีอาการอาการให้เราเห็นอาการทุรนทุลายอาการเจ็บปวดหรือร้องหรืออะไรเท่าที่ได้เคยอยู่ใกล้หลงวงพ่เทียนไม่ไม่มีอาการให้เรารู้สึกว่า ท่านาคุมไม่ได้หรือว่าเจ็บปวดจนนั้นอย่างมากก็อาจจะบอกให้เราปีบเรานวดเราอะไรบ้างหรือเอาน้ำแข็งมาประครบเพราะปันมันเป็นมะเร็งนีทองมันคงจะร้อนมากนะจับดูมันก็ร้อนมะเร็งลำไส้ ผาตัดไปเยอะจนลำไส้มันสั้นทานอาหารเข้าไปนี่ไม่นานมันก็ออกมาละผักก็ยังเป็นสีเขียวอยู่เข้าไปไม่ถึงชั่วโมงั้งชั่วโมงมันก็ออกมาแต่ถึงขน้นท่านก็อยู่มาได้หกปนะีก็มารู้ว่าเป็นมะเร็งตอนไปสิง ค, โ, คโปร์นะปีสองพัรอยี่บห้ามาก็มาผ่าตัดที่ โรงพยาบาลศิริราชแต่ตอนนั้นการผ่าตัดอาจจะไม่ดีนะเทําทำให้ท้องไข่ท้องบวมขึ้นมาอาจจะมีการผิดพลาดในการผ่าตัดหลังมาก็เลยเอาไปที่โรงพยาบาลสมิติเวชนะมีหมอวัฒนาหมออะไรที่ศร <c oughs> ัทธาหลวงพ่อเทียนนะเพราะฉะนั้น การที่ได้ไปรู้จักหลวงพ่อเทียนเมื่อยังมีชีวิตยอยู่ก็เป็น <c oughs> พลังศรัทธาอย่างหนึ่งที่ช่วยทำให้การปฏิบัติรู้สึกว่ามันผ่านอุปสรรคไปไปได้ง่ายความสงสัยมันไม่ค่อยมีเมื่อมาอยู่ใกล้หลวงพ่อเทียนท <c oughs> ่านแสดงทำทุก วันอาทิตย์ตอนบ่ายตอนเช้าตอนเย็นหลังทำวัดท่านก็ทำอยู่เป็นประจำทำให้ดูอยู่ก็เห็นเลยหลายอย่างไม่แต่การเป็นอยู่นะการขบการชั้นการพึ่งตัวเองก็ไปเริ่มศรัทธาวัดศรัทธาพระอยู่ที่วัดสนามใน วางเป็นธรรมชาติได้หลวงพ่อเทียนท่านก็ทำให้มันเหมือนกับว่าเป็นกันเองนนหะหรือว่าเสมอภาคมันแม้แต่เวลาขบชันอย่างนี้ก็ตักมาแล้วก็รอในยายมทานด้วยกันฉันพร้อมกันเลือกพร้อมกันหลวงพ่อเทียนเองท่านก็ช่วยเหลือตัวเอง ทันไม่ได้มีอะไรพิเศษแม่แต่แก้วน้ำท่านก็จะถือไปเองนะแก้วใบหนึ่งนะก็เดินไปเวลาฉันท่านก็เอาไปเอง <c oughs> ไม่ไม่ได้มีคนปนนิปบัดคือ ท, ทำเป็นตัวอย่างแม่กระทั่งเวลาขบฉันท่านก็ฉันเรียบร้อยนะไม่ฉันมุมมามดังจับจับจั บ, จบ ทำหกเรียราดอะไรนี่ไม่ไมีหลงวงป่ะเทียนเสขิยวัตรท่านนี่ยอดเยี่ยมแม้บางคนใจว่าท่านลุกสิหลุกหาไม่ควรมีระเบียบวินัยแต่ท่านก็ทำเป็นตัวอย่างทุกอย่างนะเาที่เตมาได้สังเกตได้นั่งฉันหรือว่าเคยไปมากับท่านหลายที่อยู่ <c oughs> ส่วนการปฏิบัตินี่ก็ ไมใหม่มัน ก, <c oughs> มนก็มันก็ยังมันก็ยังไหลไปกับความคิดติดไปกับความคิดนะเราจะเอาความคิดมาตัดสินมาจับความรู้สึกตัวอย่างนี้มันก็ไม่ถูกไม่ใหม่ก็เป็นอย่างนั้นเอาความคิดมาตัดความคิดแต่คิดไม่ดีมาก็เอาความคิดที่ดีมาตัดมันก็เลยหยุดความคิดไม่เป็นจนกว่ามัน จะกลับมาจับตัวความรู้สึกตัวสดๆความรู้สึกตัวซื่อๆอันนี้ได้นั่นแหละมันถึงจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเจริญสติเพราะนั้นใหม่ๆนี่ท่านให้กวาดหรือว่าทิ้งความคิดทั้งหมดไปก่อนจะคิดดีก็ตามคิดไม่ดีก็ตามคิดในเรื่องตำรับตำลาที่เราเล่าเรียนมาหรือว่าวิธีการอะไรก็แล้วแต่ที่เราศึกษามาเอาวางไว้ก่อน ไม่ต้องเอามายุ่งไม่ต้องเอามาเปรียบเทียบไม่ต้องเอามาทำให้เราเกิดการวิตกวิจารเริ่มต้นจากเหมือนกับว่าเริ่มต้นจากศูนย์เหมานั้นาวางไม่หมดเลยนะไอ้เรื่องทิฏฐิความเห็นอะไรต่างๆก็วางไว้แล้วมันจะง่ายง่ายต่อการปฏิบัติแต่มาุมเหมือนกันก็ พอมาเจอหลวงพ่อเทียนมันก็เลยคิดแบบโอ้ขนาดหลวงพ่อเทียนท่านไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้เขียนไม่ออกไม่มีความรู้อะไรนะทางโลกแต่ท่านทําไมถึงสามารถที่จะปฏิบัติจนถึงที่สุดนะแล้วก็มาสอนคนได้ตั้งแต่ปีสองพันห้ร้ยสองยสานะที่ท่านได้เห็นธรรมะจนถึงที่สุดแล้ว เราทำไมทั้งเพิ่งมารู้ทําไมถทั้งไม่รู้มาก่อนเนี่ยมารู้กับหลวงวเทียนมารู้จกักหลวงวฒเทียนก็ตอนปีไ ป, ไปปลายปีสอง8นหายี่บแปดะหลังจากอ่านหนังสือแล้วนะก็เดียวไปฟังธรรมะเวลาวันอาทิตย์บางทีก็ไปทาวัดเย็นไปปฏิบัติ แต่ก็ใช้จังหวะนี่แหละนะจังหวะที่มันทําถูกต้องนี่แหละมันก็เลยไม่ได้ใช้เวลานานแต่มาปฏิบัติใช้เวลาไม่นานนะคิดว่ามันทําถูกจังหวะของมันแล้วมันมันคล้ายๆมันเปิดออกมาน่ะมันโมเทียนบอกว่ากุญแจลูกกับแม่มันเสียบเข้าไปบิดขวาแก๊กเดียวแค่นั้นแหละมันก็เปิดออกมาแล้วไม่ต้องรอเวลาหลายวันหลายเดือนหลายปี ขอให้เพียงทำให้มันถูกต้องทำให้มันติดต่อทำด้วยความศรัทธาศรัทธาในการตัดสรุ่พระเจ้าศรัทธาในธรรมะศรัทธาในหลวงพ่อเทียนตัวศรัทธาตัวนั้นพอมันเกิดขึ้นมาที่เป็นปัจจุบันจริงๆในขณะนั้นมันก็มันก็เป็นสมาธิของมันอยู่เองพอมีศรัทธามี อ่ความเพียรมีสติมันก็จะเป็นสติที่เป็นปัจจุบันรู้สึกตัวซื่อในปัจจุบันทําไปทํามามันก็ติดต่อกันเข้าติดต่อกันเข้าเดี๋ยวมันก็เปิดออกมาแสดงให้เราเห็นมันไม่ได้มีอะไรมากการปฏิบัติโอ้ไม่ใช่ต้องทําเอาเป็นเอาตายทําทั้งวันเดินจงกรมทั้งวันสร้างยังวะทั้งวันอย่างนั้นก็ไม่ใช่อืม มันขึ้นอยู่กับที่เราวางจิตได้ถูกต้องนะวางจิตเป็นกลางๆนะไม่เอาอะไรนะทำไปเฉยเฉยดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอานะไม่คิดหาเหตุห้าผลอะไรนะไม่ปฏิบัติแข่งกับใครกับมารู้ตัวเราไม่ต้องอยากเป็นอะไรทำอยู่แค่นี้แหละการปฏิบัติเพราะฉะนั้นมันมันต้งใช้เวลาไม่นานนะตอนรูร้ลุ่น้ำ แต่มาไปนั่งทําอยู่ที่ลานหินโค้งคนเดียวและ ว, วันนั้นนะ่ะหน้าพุทธลูกทําไปทําไปก็เอ๊มันเกิดการพิจารณาพระพุทธเจ้านะเห็นพระพุทธลูกเนี่ยเห็นเหมือนกับเห็นพระพุทธเจ้าแล้ตอนนั้นโอ้พุทธเจ้าท่านมีจิตใจไม่ห ว, วั่นไหวนะสง่าผ่ า, าเผยน่ะมีจิตใจที่เป็นอุเบกขาไม่ยึดมั่นถือมั่นกับอะไร ในขณะที่เราพิจารณาอย่างนั้นจิตมันก็เลยมันก็เลยเป็นเป็นศรัทธาที่ทําให้เกิดสมาธิขึ้นมาเองนะตัวสติที่เราทําความรู้สึกตัวยกมือสร้างอย่างหวามันก็เลยชัดรู้สึกตัวได้ชัดเจนติดต่อกันเข้าติดต่อกันเข้าจังหวะมันรู้สึกมันไวขึ้นนะมันก็เลยเหมือนกับมันโผล่ออกมาให้เราเห็นเอ้ามันเบากายเบาใจมันสว่างขึ้นมานะ ช่วงจังหวะมันก็เหมือนกับว่าตอนนั้นเหมือนกับว่าไอ้เมฆที่มันมาบดบังดวงอาทิตย์นี่มันสว่างหายไปนะมันก็เลยสว่างแดดมันส่องออกมาจังหวะที่มันเป็นอย่างนั้นพอดีก็เลยทำให้เกิดปีติเกิดภูมิใจนะในความรู้ก็เลยว่าเป็นวิปัสสนูปกิณ์เหล่าทานไปยึดมัน่นถือมั่นในความเบาความสบายเป็นปีติ เกิดที่ปัจตนูอยากบอกอยากเทศอยากสอนอยากให้คนมาลู้กับเราแล้วเป็นไปแล้วที น, นี้พคิดว่าตัวเองนี่เห็นธรรมะนะรู้ธรรมะโอ้เหล่านี้บรรลุธรรมะแล้วนะตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มนะนี่โอ้ดีมากอะไรงี้มันมันหลงตัวลืมตัวไปเลยนะเพราะฉะนั้น <c oughs> มันก็เลยเป็นเป็นอุปสรรคนะตัวปีตินะเรียกว่า ความภูมิใจพอใจในความรู้นะก็เป็นอยู่เงันไปจนถึงเย็นนะเป็นมีปัจจูไปถึงที่ทำงานก็ไปเทศไปสอนให้พวกยามให้คนที่อยู่ทถวนั้นพยายามพูดให้เขาฟังให้เขามาเข้าใจนะแต่เขาไม่นสนใจเรเขาก็ฟังไปเขาอาจจะว่าเราบ้าอะไรอะไรก็ได้ แต่ไปมาพอตกขํามาให้มันนอนไม่หลับมันมีแต่คิดฟุ้งไปนะคิดฟุ้งไปในธรรมะป้าอะไรนะมันมีแต่เห็นเป็นความรู้เป็นอะไรไปนะสมมุติต่างๆมันรู้หมดนะนะสมมติผีสมสมติเทวดานะสมมติบวชสมมติศึกสมมติพระพุทธลูกสมมติอะไรต่างๆมันจะรู้ไปหมดเลยในโลกของสมมติเนี่ยโลกนั้นมีแต่สมมติถ้าเราไปบอก หลวงพ่อเทียนน่ะบอกว่าอันนี้กับนี้ก็เป็นสมมติเนี่ยเรายังไม่เห็นยังไม่เกิดการรู้แจ้งมันก็มันก็รู้ได้แค่เป็นความจําแต่ถ้าหากเรารู้จากการปฏิบัติจากการเจริญสติแล้วมันมันจะรู้ไปหมดเลยเห็นไปหมดนะสมมติต่างๆสมมติผีสมมติเทวดาสมมติเงินสมมติระเบียบวินัยกฎหมาย ภาษาสมมติอะไรต่างๆอยู่ในโลกมันมันรู้ไปหมดเลยสมมติทำบุญประเพณีนั้นอันนี้อันนี้มันมันมันไม่จะเรื่องเป็นสมมติทั้งนั้นเลยเรื่องนอกตัวเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่มันก็เลยเริ่มต้นนะจากการเห็นนะเห็นนักนอกเห็นเปลือกเลือกนี่แหละเราทำความรู้สึกตัวห ย, ยาบ ยกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมกนะพริบตาอ้าปากหายใจขึ้นน้ำลายมันจะรู้เข้าไปเมื่อก่อนไม่รู้หรอกจะให้มารู้สึกกระพริบตาอย่างนี้ไม่รู้หายใจอย่างนี้ก็รู้ยากเข้าไปส่วนตัวนึกตัวคิดเกิดมาก็เคยไม่เคยเห็นความคิดตัวเองเมื่อมันคิดเรื่องใดขึ้นมามันก็ไหลไปนะสร้างเป็นเรื่องเป็นราวไปนะจนเกิดดีใจเสียใจ เกิดเป็นความโกรธความโลภความหลงยึดมั่นถือมั่นเกิดมาก็ไม่เคยไม่เคยเห็นความคิดเพราะฉะนั้นการปฏิบัติอย่างนี้มันมันเป็นพื้นฐานในการที่จะเข้าไปดูจิตดูความคิดดูเวทนาดูจิตดูธรรมนั่นแหละถ้าหากเราไม่มีการเคลื่อนการไว้ไม่มีฐานตัวนี้มันดูไม่เป็น จะสอนให้ไปดูจิตตรงๆให้เข้าไปดูจิตเลยไปดูความคิดเลยนี่มันมันก็หลงมันไม่มีสติมันไม่มีสติจากการเคลื่อนกันไปแล้วจะให้ไปดูจิตที่เรามองไม่เห็นที่มันละเอียดที่มันชคีดอยู่ตลอดเวลานี่มันมันยากเท่าที่แต่มาทั้งเกียติมานะขณะที่ รู้รูปหน้าใหม่ๆเราก็พอระลึกได้โอ้หลวงพ่อเตียนให้ดูความคิดพยายามที่จะไปดูมันก็ไม่เห็นมันก็จะไหลไปไหลไหลไปกับความคิดจนกว่าอารมิปัสสนูที่มันอยากเทศอยากสอนปีติที่มันเบาสบายเดินไปเหมือนกับจะเหาะจะลอยอะไรเงยทำอะไรก็เบาไปหมดมือตัวขาอะไรเบาไปหมดไปทำอะไรก็เบามือมันเป็นปีติ จนกว่าสงสิ่งเหล่านี้มันหายไปมันลดไปนั่นแหละกลับมาทําความรู้สึกตัวมาทบทวนนะ่ะรูปนามมาทําความรู้สึกตัวให้มันบ่อยเข้าชัดเจนเข้าแล้วมันถึงจะเข้าไปเห็นความคิดกว่าจะไปเห็นความคิดได้แต่มาก็มาบวชแล้วบวชแล้วก็ไปปฏิบัติอยู่ที่ปัชาเจนแลนดนะ์ก่อนจะบวชก็ไปลาหลวงพ่อ บอกว่าผมจะบวชแล้วหล <c oughs> วงพ่อเทียนท่านก็บอกว่าเออบวชก็ดีแล้วนะบวชแม่แต่พ่อแม่ก็กราบก็ไหว้เรล่ะบวชแล้ ว, นะ ว, ลวไปอยู่ที่บ้านก็ได้อยู่ที่ภานนอกไม่ต้องมาอยู่ที่วัดสนามในนะเพราะคนมันจุนจา้านมันไม่สงบท่านก็แนะนําไปนะ ก็นั่นแหละมาถึงได้ไปบวชนะบวชแล้วก็พ่อก็แนะพ่อก็แนะนําว่าไปน่ะไปดูน่ะที่ป่าช้านะเขาทําเป็นวัดป่าเป็นอะไรนั่นก็ลองไปดูนะไปแล้วก็เออทําไมมันดูมันน่าอยู่น่าปฏิบัติล่มลื่นดีทั้งที่เมื่อก่อนนี้ไม่กล้าไปใกล้ล ะ, ะป่าช้าขึ้นชื่อว่าป่าช้าไม่ไปใกล้เพรา ะ, ะใครตายก็ไปป่าช้า ยายตายก็ไปป่าช้าพี่ชายมันตายก็เอาไปทิ้งที่ป่าช้ากลัวกลัวผีก็เลยกลัวป่าช้ามาตลอดแต่วันนั้นพอไปเจอป่าชา้าแล้วโอ้มันรู้สิกสงบร่มรื่นน่าอยู่ก็มีพระองค์หนึ่งไปอยู่ที่นั่นก่อนนะ <c oughs> ก็เลยวันนั้นก็เลยตัดชินใจนอนป่าช้าเลย แต่คืนแรกไปนอนมันก็ยังมีพระมีโยมมานอนด้วยมันก็ยังไม่เกิดการอารมณ์กลัวเท่าไหร่มันยังไม่มีอะไรนะแต่พระองค์นั้นก็ขี้กลัวนะกลางคืนแกก็ไม่ยอมเปิดไฟเพราะกลัวจะเห็นผีแม้แต่ไปใช้แกก็ยังไม่กล้าจะใช้กลัววัดส่องไฟไปเดียบจะเอเข้ากับ ผีกันมาแกก็แกแก็เลยไม่ไม่มีไฟไม่ใช้ไฟฉายเวลานอนก็ต้องหาโยมอยู่ที่บ้านมานอนเป็นเพื่อนหาเด็กนักเรียนมานอนเป็นเพื่อนแต่หลังจากที่จะมาบวชแล้วก็เลยชี้ว่าทำยังไงถ้าบวชเป็นพระกรรมฐานนี่จะต้องหาวิธีทำยังไงถึงจะหายกลัว <c oughs> คือมันยังรู้สึกกลัวอยู่ทั้งที่รู้ว่าผีมันก็ เป็นสมมุติแค่นั้นเองก็เลยคิดว่าเอาละบวชแล้วก็ไปดูนะที่ไหนมันกลัวมันท่าทายดีถ้าเอาชนะสิ่งนี้ได้แล้วก็คงอยากไปอยู่ที่ไหนก็ได้ไปป่าชา้าไปอยู่ที่ไหนนอนคนเดียวที่ไหนก็กลัวก็จะไปอยู่ได้ก็เลยไปอยู่ที่ป่าชา้ามันก็น่ากลัวจริงนะมีต้นไม้มีเถาวันมีน้ําอะไร เติมไปหมดกุฏิก็เป็นกุฏิมุงหญ้าพวกที่เขาเคยไปบอกใบให้หวยนะ่พะพระก็อยู่ที่นั่นเขาไปอยู่มาก่อนเราก็ไปอาศัยหลังนั่นแหละอยู่ก็ไปอยู่ที่นั่นวันแรกก็กลัวนะแต่ที่แก้ได้ในที่สุดก็คือเดินทำความรู้สึกตัวแรง วิธีมันแก้ไม่หายจะไปสวดคาถาศิ น, นบัญชรสวดอิติปิโสร้อยแปดอะไรก็มันไม่หายแต่พอมาเดินนังแรงจับความรู้สึกตัวให้มันเพ่งเข้าไปหน่อยให้มันรู้สึกอา้าวอยู่เลยรทีเนี้ยกลับมารู้สึกตัวเออตัวนี้เองความกลัวมาจากความคิดนี่เองไม่ได้มีอะไรมันก็เลยคิดว่าเอาละตัวนี้แหละะตัวปฏิบัติตัวความรู้สึกตัวนี้แหละ จะมาเป็นเพื่อนเรามาช่วยเราไม่มีใครจะมาช่วยเราได้แล้วหลวงพ่อเทียนก็มาช่วยเราไม่ได้นอกจากตัวเราที่เราปฏิบัติทำความรู้สึกตัวนั่นะก็เน้นอยู่แต่เรื่องนี้แหละไปอยู่วาชาก็เอาอยู่คนเดียวทำอยู่คนเดียวไม่มีใครก็มีบางวั น, นพ่อจันนะที่มาด้วยเนี่ยเป็นเป็นพี่เป็นลูกของป้าบางทีเราก็ไป ต้มน้ำร้อนน้ำมันราใบา ย, บายให้ฉันมือเดียวก็ <c oughs> ไม่ได้ อ, อกบินทบาทมีพ่อหรือแม่หรือพี่สาวไปส่งอาหารก็ปฏิบัติเต็มที่นะทำอยู่คนเดียวโคตอื่นเขาไม่รู้หรอกว่าเราทำอะไรคิดว่าเราเป็นบ้าเดินจงกรมปฏิบัติทั้งวัน ทำเสร็จไม่ต้องอู้เลยเอาไปคนเดียวเนี่ยมันสนุกดีนะเดินยังกลมเอาอยู่นั่นแหละ <c oughs> จนไม่รู้ว่าเวลาไหนเป็นกลางวันกลางคืน <c oughs> คือกลางคืนมันจะถ้ามันรู้สึกกลัวแล้วก็พยายามทำกลางวันให้มันรู้สึกตัวมากกลางคืนมันจะได้อยู่สบายบางทีมันก็ยังกลัวเลยเวลาจะเข้าห้องน้ำกลางคืนมันยังรู้สึกมีความกลัวอยู่ เอาไปมามันก็ในที่สุดมันก็เห็นความคิดนะหลวงพ่อเทียนบอกว่าเห็นความคิดเหมือนแมวกับหนูอะพอมันคิดขึ้นมาปุ๊บเห็นปั๊บคิดขึ้นมาปุ๊บเห็นปั๊บอันนี้มันไปเห็นตรงนั้นแหละเมื่อก่อนมันก็ยังแค่รู้รู้ว่ามันคิดมันก็ไปกับความคิดรู้ว่ามันคิดแล้วก็มารู้สึกตัวแต่ที่นี่มันรู้สึกตัวด้วยรู้สึกตัวในการเคลื่อนไหว แล้วก็ไปเห็นความคิดความคิดมันเกิดขึ้นแล้วมันก็หยุดคิดมา <c oughs> เห็นปุ๊บมันก็หยุดอันนี้เรียกว่าเห็นความคิดไม่ได้ไปใช้คิดด้วยเหตุด้วยผลแต่ว่าเป็นการเห็นด้วยสติเอาสติเข้าไปเห็น <c oughs> เห็นปุ๊บหยุดปับ๊บเห็นปุ๊บหยุดปับ๊บอันนี้เรียกว่าเห็น <c oughs> ความคิด <c oughs> เป็นนิปัสสนาแล้วทีนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้น ที่ปฏิบัติมามันก็เป็นขั้นเป็นตอนนี่นะการปฏิบัติมันอาศัยการเห็นรูปนามนะเป็นเบื้องต้นเห็นรูปนามเห็นรูปโลกนามโลกทุกขังอนิจจังอนัตตาทุกขังอนิจจังอนัตตาก็เห็นอยู่กับการเคลื่อนไหวนี่แหละตัวทุกทุกขังคือทนไม่ไหวเรายกมือเนี่ยเราเคลื่อนไหวเนี่ยจะให้มันอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ ทุกขังมันเป็นมันเป็นกวดของมันอยู่งั้นแล้วเราจะรู้หรือไม่รู้มันก็เป็นอย่างนั้นน่ะเราเคลื่อนไหวเนี่ยถ้าเราไม่เห็นมันเราก็เป็นทุกข์เราก็ไปสําคัญมั่นหมายนะมันเป็นทุกข์เนี่ยทุกข์แปลว่าทนไม่ไหวเนี่ยเคลื่อนไหวเนี่ยจะให้มันอยู่ในสภาพเดินไม่ได้อันนี้จังมันไม่เที่ยงอนัตตาบางังคับบัญชาไม่ได้ก็อยู่กับตัวเคลื่อนตัวไหวเนี่ยเป็นอันเดียวกันเนี่ยเห็นเข้าไปตรงเนี้ยไม่ใช่ว่าเป็นทุกข เกิดแก่เจ็บตายผมหอกฟันหักอันนั้นมันเป็นความจำนึกคิดพิจารณาเอาอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นทุกข์ประจําสังขารก็ได้คือเราจะรู้หรือไม่รู้มันก็เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นตัวทุกเป็นก้อนทุกรูปร่างกายของเราเการเคลื่อนไหวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นทุกขังอนิจจังอนัตตาเห็นตัวหยาบยาบนี่ก่อน ต่อไปมันก็จะเห็นเข้าไปความคิดก็เป็นทุกขังเป็นอนิจจังเป็นอนัตตามันก็จะเห็นเข้าไปความปรุงความแต่งที่เมื่อก่อนเคยคิดมากหลงเข้าไปในความคิดคิดยึดติดในความคิดมันก็จะตัดไปตัดไปหลงวงพ่อเทียนบอกเหมือนกับขุดบอ่อน้ำเมื่อขุดลงไปก็จนมันถึงตาน้ำแล้วก็ตักออกตักออกบิดออก จนน้ำมันใส่นะล้างปากบอ่อล้างตมล้างเลนออกนะแล้วน้ำก็จะสะอาดขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันความคิดอะไรต่างๆที่มันคิดขึ้นมานี่ถ้าเราเห็นมากเข้ามากเข้านะมันก็จะคิดไปในเรื่องที่ที่ดีนะคิดแล้วเราก็สามารถที่จะหยุดมันได้ส่วนที่จะคิดไปในเรื่องไม่ดี อิดเบียดเบียนเขาเอาลัดเอาเปียกเขาอันนี้มันก็จะไม่มีแต่ต่อไปเมื่อปฏิบัติต่อไปปฏิบัติต่อไปมันก็จะเห็นเข้าไปผ่านความคิดเข้าไปเลยว่าเห็นวัตถุเห็นปัจจุบัเห็นอาการเข้าไปแต่มาไปนั่งอยู่ที่ทุ่งนามองกลับมาที่ป่าชา้ามันก็จะเห็นเข้าไปโอ้ป่าไม้ก็เป็นวัตถุดูคนดูวัวดูควายที่อยู่ท้องนามันก็เป็นวัตถุอันหนึง่ง เป็นวัตถุเป็นปรมัติอาการดูเข้ามาที่จิตใจก็ความคิดอะไรก็เป็นวัตถุเป็นปรมัติอาการเข้าไปมันก็จะเห็นเข้าไปนะการปฏิบัติจนกระทั่งเห็นความโกรธความโลภความหลงนี่มันมันหลุดไปน้ำหนักที่เราเคยหนักหลวงพ่อเทียนบอกถ้าหนักร้อยกิโลมันก็หลุดไปหกสิบกิโลแปดสิบกิโลอะไรเนี้ย มันก็เห็นได้แต่มาเดินเดินไปห้องน้ํามันเหมือนกับอะไรมันเบาวะอไปเอ๊ะมันอะไรเนี่ยทําไมมันเหมือนกับว่ามันหลุดออกไปก็ไม่รู้อะไรตอนแรกอ๋อความโกรธความโลภความหลงมันหลุดไปอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าจะต้องไปพยายามที่จะเพ่งดูมันอย่างนั้นไม่ใช่คือขณะที่เราจะไปอย่างนั้นไปเดินห้องน้ําไปห้องน้ําอย่างนั้นเราก็ไม่ได้มันจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ เพ่งที่จะไปให้มันรู้สึกนะมันก็เป็นธรรมชาติของมันแล้วนะถ้าเราไปเห็นวัตถุเห็นปัญญาการเข้าไปตัวความรู้สึกตัวมันมันก็คาดว่ามันจะเป็นอัตโนมัติมันเป็นธรรมชาติแล้วมันไม่ได้ไปกําหนดอะไรมากมันก็รู้ขึ้นมาเองแม้จะเราจะเดินเข้าห้องน้ําไปอยู่ในห้องน้ำล้างห้องน้ําทําทุรอะไรมันมันตัวความรู้สึกตัวมันก็มาเองของมันเราไม่ได้ไปเพ่งไปกําหนดไปอะไรมันมันก็รู้สึกเอง เพราะนั้นมันถึงเป็นเป็นสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งนะที่มันจ ะ, จะรู้เองไม่ต้องไปบังคับไปกำหนดไปอะไรมันมันก็รู้ขึ้นมาเองอันนี้แหละถึงว่ามันมันไม่ลืมนะถ้าปฏิบัติไปจนถึงเห็นวัตถุเห็นปรามาสเห็นอาการเข้าไปแล้วมันความรู้สึกตัวมันก็จะแนบแน่นเช่นธรรมาพูดอย่างนี้ ปากมันเคลื่อนมันขยับกระพริบตาถึงแม้ว่าจะพูดไปด้วยแต่ความรู้สึกตัวเราก็ยังเด่นชัดอยู่กระพริบตาหายใจจะเคลื่อนเอียงซ้ายเอียงขวาหรือคำพูดที่จะพูดออกไปแต่ละคำมันมันจะมีสติในการที่จะรู้ <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> เบื้องแรกก็ต้องรู้กายหยาบหยาบนะอย่าไปนั่งสงบ ไปนั่งสงบแล้วมันไม่รู้มันก็นั่งหลับนั่งไปนั่งมานะไปติดความสงบขณะเรา จ, จมาปฏิบัติอย่างนี้มันยังไปติดความสงบอยู่ตั้งกี่ปีมั <c> ้ <oughs> มันเหมือนกับเป็นอุบัติเหตุอย่างหนึ่งอะพอปฏิบัติต่อไปแล้วมันวันนั้นไปเดินจงกรมอยู่แล้วมันเหมือนกับกิ่งไม้ได้ยินกิ่งไม้มันหัก ดังแก๊กแค่นั้นแหละเดินจงกรมอยู่เหมือนกับความคิดหรืออะไรมันหลุดไปนะมันก็เลยเหมือนกับว่ามันมันจะเป็นที่ประลาดนะมันไปติดความสุขเหมือนกับว่าอะไรมันหลุดไปแต่พอรู้สึกอาการมันปวดท้องปุ๊บตัวสติไปอยู่กับที่มันปวดมันเจ็บ ไอ้ความรู้สึกว่ามันเป็นความสุขที่มันหลุดตรงนั้นมันก็เลยหายไปไอ้ทีนี้ตัวอุเบกขาโผล่ขึ้นมาโอ้ตัวนี้เป็นอุเบกขาพอรู้สึกว่าอุเบกขาโผล่ขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าเ อ, อ้อเราเหมือนกับว่าเราเราหลุดแล้วหลังจากนั้นมันก็เลยสําคัญว่าตัวเองเนี่ยโอ้บรรลุธรรมะหรือว่าจบอะไรอย่างเงี้ยนะหลังจากนั้นมาก็อ้า ไม่มีอะไรอีกอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็บอกว่าโอ้ไม่ไม่ต้องไปพูดไปสอนใครลวตอนนี้มันมันพูดอยู่ในใจของมันนะพูดไปสองไผ่เบี้ยหนึ่งเสียหนึ่งเสียตำลึงทอง <c oughs> หลังจากนั้นมาก็เลยเดินทุ ด, ดงเดินอะไรไปเหมือนกับเราเดินธรรมญาติตานี่แหละไปจำบรรษาอยู่ที่วัดโมกกับประจันดา พอไปถึงที่วัดโมก็มันก็ยังสงสัยทาไมอาจารย์ทำไมมันผมมันเหมือนกับไม่ค่อยมีปัญญาอะไรมันยังคลุมคลุมอะไรอะไรอยู่นะพูดให้จันดาฟังจันดาก็บอกว่ามันก็เหมือนกับทาการบ้านนักเรียนทาการบ้านถ้าเรามีคำตอบแล้วก็เขียนลงไปนะแต่ถ้าไม่มีคำตอบก็สงกระดาษเปล่าก็ไม่เข้าใจหรอกตอนนั้น <c oughs> แต่ว่าเมื่อลุงพ่อเทียนมาเทศอยู่ที่วัดโมกปีนั้นปีนั้นนายเทียนนี่วันนั้นนายเทียนมาพอดีนะมามาบอกลุงพ่อว่านายเทียนมันตายนะงูเห่ากัดตายอยู่ที่กาลสินนะว่าจะมาบอกในายลุงพ่อไปเผา <c oughs> หลงวงวเตียนบอกใครเผาก็ได้กูบัวเผามันก็ไปเผาก็ได้หลงวงวเตียนว่าไรเผาก็ไหมเอ็นว่าท่นท่านไม่ไปคือมีงานเทศอยู่ไอ้ในเตรียมนี่ร้องไห้เลย <c oughs> ว่าหลงวงวเตียนไม่ไปเผาลูกชายหลงวงวเทียนท่านมองเห็นความสําคัญเรื่องการสอนคนตายมันสอนไม่ได้แล้ะตายก็ตายไปแล้วใครเผาก็ไหม ไม่จำเป็นต้องไปแล้ว <c oughs> วันวันนั้นท่านก็เทศแล้วธรรมาก็ได้ติดตามไปขึ้นเครื่องบินไปนที่วัดสนามในท่านก็คงสังเกตเห็นตลอดนะอาการกิริยาของเราวันหลังมาท่านก็ให้ไปหาแล้วท่านบอกว่าคุณเพนนี่ติดความสงบแล้วท่านว่ากันแต่มารมาดื้อ ย, อย่างไงไม่รู้ผมไม่ติดหลวงพ่อไม่ติดความสงบ ไม่ติดความคิดคือไม่รู้นะว่าเราติดความสงบเราคิดว่าเราไม่ได้ไป น, นั่งหลับตาไม่ได้นั่งสมาธิอะไรทํำไมไปติดความสงบก็เลยเถียงท่านเอาไปมาก็เพรานั่นแหละก็ถึงติดมาหลายปีจนกระทั่งหลวงพ่อเทียนมโนภาพมารู้ทีหลังนั่นแหละจนมันหลุดไปทั้งรู้ว่าตัวเองติดความสงบมันจะทื่อๆไม่ค่อยมีปัญญาที่จะไป แม้จะสอนอะไรก็ไม่อยากจะพูดอยากจะอะไรนะไม่รู้จะพูดอะไรจะสอนอะไรมันก็มีแต่ทำความรู้สึกตัวมันก็จะอยู่แค่นี้ถ้าถ้าเขาให้ไปเทศไปสอนมันก็จะกลัวไม่รู้ว่าจะจะไปสอนอะไรมันก็เตรียมตัวไม่ถูกหรือไปพูดมาอย่างนี้มันก็มันก็ยังมาคิดบนอยู่กับคำพูดของตัวเองมันไม่สงบ ดังนั้นที่ประสบการณ์มาตัวความสงบตัวนี้แหละเห็นว่ามันเป็นอุปสรรคที่ติดแน่นที่หนักมากที่สุดนะที่กั้นไม่ให้เรากลับมาดูจิตใจของเรานะจนกว่าลงวทเทียนมนรารรมทไปปีนั้นก็อยู่นะแต่มาก็อยู่หลังคามงแฝกก็มาอยู่ที่นี่ปีสามศูนย์มาเริ่มบุกเบิกนะถมถนนข้าม จากฝั่งโน้นมาฝั่งนี้นะก็ทำท่ อ, อระบายนะโดยมีในเตรียมนี่แหละเป็นช่างแล้วก็มีพระ <c oughs> อยู่ที่นี่จจมันสาเป็นแรงงานประสมปูนนะทำท่อน้ำมีชาวบ้านบุหงมาช่วยนะทำกุฏิอย่างกุฏิสิบหลังที่ทำครั้งแรกก็มาจากบ้านบุหง หลวงพเทียนท่านก็เป็นคนฉลาดนะแทนที่จะเอาไม้แปลรูปมามันก็มาไม่ได้เลยโดนตำรวจจับท่านก็ทำ <c oughs> เป็นโครงมาเลยนะตีเป็นโครงมานะผลมาเป็นเป็นเรือนเป็นหลังมาเลยแต่ยังไม่มุงยังไม่มีฝาสิหลังก็ผ่านตำรวจมาได้ก็มาตั้งไว้ที่ริมฝั่งตอนนี้มันก็เหลืออยู่ไม่กี่หลังก็เปลี่ยนไปยก สูงหมดและ <c oughs> ก็ได้มาทางานอยู่ที่นี่ก็คิดว่า <c oughs> ตั้งใจว่าจะมาช่วยหลวงพ่อมีอะไรหลวงพ่อให้ช่วยก็จะทำทุกอย่างตอนนั้นคิดว่าตัวเองจะตอบแทนหลวงพ่อหรือว่าอยู่ใกล้หลวงพ่อทำทุกอย่างแ่ะที่เป็นงานขุดดินฟันหญ้า ทำงานก่อสร้างทำกุฏิพออยู่ได้ก็ทำบางทีก็ได้ไปดีบไปนวดท่านบ้างก็สงสารท่านถึงแม้ท่านจะเจ็บป่วยขนาดไหนแต่ท่านก็ยั ง, ย, งยังทำงานยังสอนยังไปมาระหว่างกรุงเทพบางทีทางพสงสายงานก็จะเสนอให้แตมาในเป็นพระอุปถากพระติดตาม แต่หลวงพ่อไม่เอาท่านไม่เอาพระอุปถากอะไรท่านยังพอช่วยเหลือตัวเองได้เลือกไปที่ไหนก็คงมีคนช่วยท่านอยู่เพราะันหลวงพ่อเทียนก็จะเป็นคนง่ายๆช่วยเหลือพึ่งตัวเองแม้แต่ซักผ้าซักจีบบอท่านก็ยังโดยมากท่านก็ซักเองไม่ค่อยได้มีพระอุปถากติดตามเหมือนกับพระสายงานอื่น นั่นแหละจนวันที่ท่านมโนาภาพก็เรียกว่าก็โชคดีที่ได้เห็นกับตานะ<ช>ว่าลุงพอ่อทำให้เราเห็นจนครั้งสุดท้ายก็คือ <c oughs> ทำจังหวะสร้างจังหวะนี่แหละก็ได้เห็นจริงๆบางคนบอกว่าไม่เห็นนะทั้งที่อยู่ตรงนั้นแต่บางทีก็ใส่คนเตรียมลูกชายนี่แหละประคองมือบ้างนะ มือมันบวมนะเข้าน้ำเกลือมันมันไม่เข้าลนะมันควาดนะแผนมันก็เป็นป น, น้ำเกลือห้อ ย, อยนนะแล้ก็สร้างยังวบบขู้ขาเหยียดขานะกะ็คิดตาอ้าปากหายใจแล้วก็ไปดูจิตเป็นครั้งสุดท้ายนะดูเพดานหายใจนะกัดฟันกรอดไปครั้งหนึ่งแล้วก็สิ้นลมไป <c oughs> นั่นเลยว่าท่านได้ทําจนจนครั้งสุดท้ายล้ววันที่หลวงพ่อเทียนสอนทุกคนะําำทําให้ดูอยู่เห็นก็ยังทร <c oughs> าบซึ่งยังฝังติดตาหนะติดใจโดยเฉพาะเมื่อเราปฏิบัติเข้าไปจนเห็นตามที่ท่านสอนแล้วก็เหมือนกับมีหลวงพ่อเทียนอยู่ในหัวใจจะไปอยู่ที่ไหนเราก็อยู่กับหลวงพ่อเทียน อาการกิริยาของท่านยังไงเราก็เอามาปฏิบัติที่ตัวเราจิตใจที่มันสะอาดสว่างสงบนะ่ะจิตใจบริสุทธิ์พ่องใสพ่องไวเราก็สามารถที่จะเข้าไปเห็นจุดนั้นได้สิ่งไหนที่เราเคยยุดเคยหลงนะ่ะเคยติดไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยแตมาเป็นคนรักง่าย เมื่อก่อนนี่โอ้ที่กลัวก็กลัวเรื่องนี้แหละกลัวเรื่องความรักนี่แหละรักผู้หญิงนี่แหละแม้แต่บวชมามันก็ยังรักไปหลายคนละนี่พูดตรงๆแต่ว่าแต่ว่าอาศัยการเจริญสตินี่แหละเห็นมันเข้าไปนดูมันเข้าไปกับกลายเป็นว่าความรักนี่เป็นบันได <laughs> เป็นบันไดในการเห็นธรรมะ เมื่อก่อนมันก็ยังไม่หลุดนะเห็นสวยๆงามๆเห็นอะไรยิ่งเข้าไปพูดไปคุยด้วยไปใกล้ชิดไปเลยมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ออกยากแต่ว่าในเมื่อมันมันกลายเป็นอารมณ์ในการปฏิบัติของเราเป็นบันไดเป็นนั้นมันก็กลับกลายเป็นสิ่งที่ดีนะ ถ้าหลุดพ้นจากความลักเมื่อไหร่ว่ามันสบายนะใจมันโล่งมันสบายรู้สึกว่าการบวชรู้สึกว่ามันจะอยู่ได้โดยปลอดภัยนะครั้งแรกที่จะมารู้สึกว่าหลุดไปได้นี่ไปอยู่ที่ป่าช้านั่นแหละกำลังนั่งฉันอาหารอยู่กับพระองค์หนึ่งแล้วลูกชายแม่พ่อที่นาติดกันนี้ หรือเลื่อยเครื่องมานะเอเราก็เริ่มคิดมันจะมาตัดอะไรเนาะตัดต้นไม้ที่ไหนอ๋อก็ปรากฏว่าเขาจะมาตัดต้นประดู่ที่เราเดินจงกรมสร้างยังไหวนั่นเนี่ยเราหวงแหนอยู่แล้ว <c oughs> เรารักเรางหวงแหนต้นไม้เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว <c oughs> อันนี้ก็ฉันไปนะมันก็ดูจิตอยู่นะพอต้นไม้ล้มคืนลงไปแล้วก็ยืนขึ้นดู พอล้นต้นไม้ล้มลงไปขนานั้นลรารู้เลยทันทีเลยโอ้ไอ้ที่เราไปรักไปหวงแหนต้นไม้อันน้มันก็เป็นความยึดติดความยึดมั่นถือมั่นไอ้พอเรามาดูไอ้ที่เราไปรักผู้หญิงคนที่เรารักมันก็เลยหลุดไปโอ้มันเป็นอย่างนี้เนาะเวลามันหลุดไปมันเป็นอย่างนี้นะหลุดไปจากความรักมันก็เป็นกิเลสอย่างนึงนะกิเลสรักผู้หญิง หรือไม่แต่พ่อแม่รักลูกอะไรมันก็เป็นกิเลสทั้งนั้นนะเป็นความยึดมั่นถือมั่นคนเราแสวงหาความรักอยากมีความรักอยากได้ความรักบริสุทธิ์แะ้วก็แสวงหาไปนะแต่จริงในที่สุดมันก็มันก็เป็นความยึดมั่นถือมั่นถ้ามันหลุดไปแล้วถดิมฉัรู้ว่าโอ้มันสบาย เพระฉะนั้ระพธเจ้าบอกว่าปิยโตชาเตโสโกนะความโศกเกิดมาจากความรักภัยอะไรต่างๆก็เกิดมาจากความรักถ้าหากพ้นไปจากความรักได้ก็ไม่ทุกข์ไม่โศกไม่กลัวอันนี้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะถ้ามันพ้นไปจากความรักแล้วมันสบายนอนหลับสบายไม่ต้องไปคิดถึง ไม่ต้องเป็นห่วงคนโน้นคนนี้นะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับการอยู่กับ ง, งานรักการลักงานนะดีที่สุดมันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นคนที่ศึกไปนะไม่เข้าใจจุดนี้หรือว่าไม่พ้นจากจุดนี้มันก็มันก็ยังจะต้องไปสร้างกรรมต่อนะไปเป็นธาตุของอารมณ์ไปสู้กับกิเลส แต่ถ้าหากหลุดพ้นไปจากอย่างนี้มันก็จิตใจมันก็หนักแน่นมีความมั่นคง <c oughs> ทำอะไรล้วก็เหมือนกับว่ามันจะไม่เห็นแก่ตัวมันก็เห็นแก่ธรรมะเห็นแก่ความสุขของคนอื่นถ้าการทำงานไปมันก็ทำไปได้วยความเบาสบายไม่ต้องไปหอบไปยึดไปถืออะไรให้มันมาก เพรนั่นนี่แหละการปฏิบัติธรรมที่พูดมาก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะที่ประเสริฐสูงสุดแล้วนะมันสามารถทําให้เราหลุดไปได้เบื้องแรกก็หลุดไปจากสมมติอะไรต่างๆเห็นสมมตนะิไม่ไปหลงยึดติดกับสมมตนะิสมมติยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งเป็นพระครูเป็นพรนะพาราชฎพระเทพเจ้าคุณอะไรก็เลื่อนล้วนแต่เป็นสมมติทั้งนั้น แต่เป็นพระเองก็ยังสแสวงหาสแสวงหาลาบยศสรรเสริญแสวงหาตาแหน่งพระครูอะไรก็นวนี้ทุกวันนี่มันเล่นเงินกันนะแม้แต่พระก็าต้องมีอ่าซองใช้ซองใช้เงินไม่แพ้กับทางลูกเขาดูแล้วมันก็น่ารังเกียจมากใช้เงินใช้ยศเอาโน้นเอนนี้ คนก็เลยไม่ได้มาสอนธรรมะไม่ได้มาหาธรรมะปฏิบัติธรรมะกันญนะาติโยมก็หลงไปนะกับสิ่งเหล่านั้นอธรรมะการปฏิบัติแบบลุงวัฒเทียนนี่มันบริสุทธิ์นะมันจะซื่อปฏิบัติไปเพื่อการเห็นแจ้งเพื่อความรู้จริงเพื่อความหลุดความพ้นนะออกจากความทุกข์จากกองสังขารนี่นะแหละและในที่สุดเราก็จะพบ ธรรมะที่แท้จริงจะพบพระพุทธเจ้าก็ได้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียแต่หมายถึงจิตใจที่สะอาดสว่างสงบจิตใจปองใสหนะบริสุทธิ์ที่มีอยู่ในตัวเรานี่แหละไม่ต้องไปหาพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียแล้ว <c oughs> นั่นลวงทัฒน์ไม่เคยไปประเทศอินเดียเพราะท่านไม่สนใจพระพุทธเจ้าละ่ะท่านสนใจแต่สอนให้คนนะเข้าถึงพระพุทธเจ้า เขถึงพระธรรมเข้าถึงพระสงฆ์เนี่แหละก็พอแล้วไม่ต้องไปหาที่พึ่งที่อื่นเลยนั้นเทียตมาได้พูดมานี่ยก็เป็นประสบการณ์เล็กนิดน้อยนะที่พอที่จะให้กำลังใจใญาติโยมที่ยังสงสัยนะแล้วยังไม่เข้าใจนะว่าการจเจริญสติมันจะได้อะไรยกมือสร้างยังแบะยัง ไม่เต็มร้อยนะบางคนก็ยังทำไปได้วยความสงสัยลังเลไม่ค่อยศรัทธานะก็ยังจับความรู้สึกตัวไม่ค่อยได้ก็ยังขี้เกียจทำไปไม่นานเดยก็มองหน้ามองหลัง <c oughs> รู้ทำไปทำไมเด็กก็ง่วงก็สู้ไม่ไหว วันนั้นก็ใส่เพื่อนใส่การัญมิตรใส่ครูบาอาจารย์นะพาพี่เลี้ยงก็หลายมาที่นี่อา <c oughs> จารย์ทาไมก็ถือว่าท่านมีความอดทนมีความ <c oughs> จริงใจที่ได้ทำต่อมาหลังจากที่มาหนีไปแต่มาทำก็ส่วนน้อยนะที่มาเริ่มต้นปลูกต้นไม้นะเมื่อก่อนก็เป็นต้นขี้เหล็กป่าไม้เขา ต้นขีเหล็กต้นคูณต้นกระรับปะพึกมาให้ปลู ก, กก็มีแม่บันแม่บันแกมาช่วยปลูกต้นจามจุลีนะนะั่นแหะที่มาให้แต่มวาพวกเราหนะ่ะแม่บันแม่บันแกก็เป็นคน <c oughs> สัตยานลุงบัวเทียนนะกูอยากคิดว่าแกเป็นบ้านนะ <c oughs> แก ม, มาใส่ลุงบัวเทียนถ้าไม่มีลุงบัวเทียนช่วยแม่บันก็อาจจะฆ่าตัวตายไปแล้วเนาะ เคยเอาเตารีดมารีดหน้า อ, อกตัวเองเอาไฟฟ้ามาช็อตตัวเองแต่โดยหลวงพ่อเทียนช่วยเอาไว้ก็ดูอะไรเหมือนว่าวกแกเป็นบ้าแต่ศรัทธาหลวงพอเทียนจำคําพูดคําสอนหลวงพอเทียนได้มดนั่นนะ่ะหลวงพอเทียนทํายังไงพูดอะไรก็จำได้มด <c oughs> แต่ว่าเพียงแต่ว่ามัน <c oughs> ยังมีอะไรที่แกยังไม่เข้าใจยังไม่เกิดการเห็นที่ถูกต้องขนาะ น, นีนะ้แล้วก็จัท่าอัตมายกนะเคยไปที่ป่าช้าอยต่ <c oughs> มาก็พาเขาไปนอนโรงพยาบาลพยาไทยมาแล้วไปอยู่ที่พยาทายมาเป็นเดือน <c oughs> กินยาเป็นหัวทิ้ง มีเมียใหม่เ <c oughs> ก็ยังมีลูกมีอะไร ày? ดูแลอยู่ว <c oughs> ันถ้าเราเขาเราไม่เข้าใจก็อาจจะคิดว่าอ้ เ, อาเป็นบ้าอะไรต้องเอาตำรวจมาอะไรเงี้ยเราไม่ต้องไปทำถึงขนาดนั้นเนาะไม่แกอยู่ที่นี่ก็ศรัทธาลวงพ่เทียนก็มาช่วยปลูกต้นไม้ลดต้นไม้ลูกต้นจามจุรีต้นชํำช้าเนี่ยแก่ปลูก เพราะนั้นหลวงพ่อเทยียนนั่นก็จะช่วยทุกคนนั่นแหละใครเป็นทุกข์มามีปัญหาโดยเฉพาะผู้หญิงนี่มีปัญหาเยอะนะหลวงพ่อเทยียนแม้แต่พวกนักศึกษาพวกอาจารย์อะไรต่างๆถึงขนาดว่าลางานลาอะไรมานาม า, มาอยู่กับหลวงพ่อเทยียนะพวกอาจารย์ดสุสีอาจารย์มัทนาอาจารย์เรไรเพราะฉะนั้นก็พอดีแล้ว กเรามาแล้วก็พยายามปฏิบัตินะก็เหลือเวลาวันนี้สิบเก้ายี่สิบยี่เ็ดนะเนี่ยก็เลิกกันแล้วไม่นานนะวันเดียวก็ปฏิบัติได้เยอะเลยนะถ้าทำถูกนะบางทีอาจจะเห็นรูปเห็นนามในวันนี้ก็ได้นะมันสามารถที่จะเข้าไปรู้ไปเห็นได้ไม่ต้องไปพึ่งข้างนอกไม่ต้องไปพึ่งครูบาอาจารย์มาก เพาะหลวงพเทียนถึงแนะนํำให้แต่มาไปอยู่ป่าชาคือมันไม่ต้องไปพึ่งครูบาอาจารย์เลยเราก็ระลึกถึงหลวงพเทียนเราก็ทําความรู้สึกตัวกับมาหาลมการปฏิบัติหลวงพเทียนมโภาพไปแล้วเราก็ปฏิบัติเห็นมากขึ้นะปฏิบัติจนมันเห็นรู้ตามเห็นตามแล้วก็หายความสงสัยหลวงพ่เทียนอยู่ที่ไหนเราไม่ต้องไปตามหานะเราก็มีหลวงพเทียนในตัวเรา มีพระพุทธเจ้าในตัวเรามีพระพุทธธรรมประสงค์ในตัวเราแล้วก็ทำได้หลุดพ้นได้เหมือนกันนะกรับพระุทธเจ้ามันก็ล้มโพเทียนมันก็หมดไปแค่นั้นเองแล้วนะที่พูดมาก็รู้สึกจะสมควรกับเวลานะก็ขอให้พวกเราได้ตั้งใจนะมาปฏิบัติเป็นอาจริยะบูชาเป็นการ ตามรอยนั่นเลยว่าก็ปฏิบัติเพื่อให้รู้สึกตัวให้เห็นตัวเองให้มันหลุดไปจากความหลงผิดนั่นแหละแต่ว่าเราก็ต้องอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องไปอยากรู้อยากเข็นอยากเป็นอยากมีทําไม่ต้องเอาอะไรแล้วมันก็จะเป็นขึ้นมาเองจะรู้ขึ้นมาเองมันก็จะปรากฏขึ้นมาให้เรารู้เราเห็นเราเข้าใจได้สัมผัส ขอให้พวกเราได้พบนะกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะพบกับลุงวัเทียนที่เป็นลุงวัเทียนไม่ใช่รูปร่างในจิตใจของเราด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิด